จิตที่บริสุทธิ์ล้วนแม้จะอยู่ในขันก็ไม่มีการกระเพื่อมตัวอาการแห่งความกระเพื่อมที่ว่าเวทนาทัญญาชั้งขานยินยานเหล่านี้เป็นอาการของสมมติเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นรูปเป็นพื้นฐาน เวทนาก็แทรกอยู่กับกายอันนี้สุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างเพราะไม่มีภายในใจของอีกิที่บริสุทธิน ว, น, วนแล้วสัญญาก็เพียงอ า, อาการอันหนึ่งทก่ีาศัสความรู้นั้นแต่ไม่ใช่ เป็นความรู้นั้นอย่างแท้จริงสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอาการนี้ปงนีเกิดมีดับตามสภาพของสมมติธรรมชาติความรู้แท้ๆนั้นพูดไม่ถูกทั้งที่รู้เมธีธันวาสัสนทิกโกประเภทหนึ่ง สันติวิโกของธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นลักษณเป็นตอนนั้นเป็นประเภทหนึ่งสันติวิโกของหลักธรรมชาติแห่งความบรู้สึ์เป็นประเภทหนึ่งสันติวิโกนี้พูดไม่ได้อันจึงเรียกว่าปัจจัดตังเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ที่รู้นั้นเท่านั้นธรรมนี้ก็ไม่มีปัญหาสาันติวิโกก็ไม่มีปัญหา ปัจจังเวดิตะโบวินยุหก็ไม่มีปัญหาถ้าเข้าถึงต้นปัญหาจางแท้จริงแล้วได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆตัวเหตุนี้พระกินาสบทั้งหลายท่านจึงไม่มีเวทนาทางจิตนอกจากเวทนาทางกายเท่านั้น ทำมาจิตเป็นอิสระก็คือความรู้ที่ไม่มีสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องเลยตลอดเวลาตั้งแต่ขณะที่ท่านบรรลุธรรมแล้วอาการแห่งขันที่แสดงอยู่ทั้งมวล น, นี้เป็นสมมุติทั้งสิ้นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นด้วยเหตุ น, นี้จิตนั้นจิตไม่มีอะไรจะทาให้กำเมิดอีกนจะทำให้ยิ่งกว่านั้นก็ไม่ได้ย่อนกว่านั้นก็ไม่ได้ ถ้านะท่านไม่สนใจไม่มีความรู้สึกจะทำให้ยิง่งหยอดเพราะเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมเต็มที่แล้วในหากธรรมชาติของตนตอนที่ยังถูกสมมุติเกี่ยวข้องหรือปกคลุมหุ้มหอ่อหรือเป็นเจ้าอำนาจบังคับปัญชายอย่างนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งอาการสิ่งเหล่านี้จะ พาให้เคลื่อนไหลในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆจึงไม่มีที่จริงสุดจึงดันแล้วตั้งแต่เป็นการสั่งสมตัวของมันคือกิเลสเคลื่อนภายในตัวเสมอและสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในจิตที่ครอบงำจิตอยู่นั้นก็ไม่มีทางทราบได้ ว่าสาเหตุเป็นมาอย่างไรและไม่ทราบวิธีที่จะแก้ไขตอดถอนอย่างไรอีกด้วยถ้าไม่มีพระโอวาทคือคำสั่งสอนของพระโพธิจ้าผู้ทรงรู้ทั้งวิธีแก้วิธีตอดถอนวิธีบำเพ็ญมาแล้วตลอดถึงบรรลุผลนั้นสมบูรณ์มาสั่งสอนจะไม่มีสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธานนี้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 จากอำนาจของเชื้อวัตตะจักรที่ครอบนำจิตใจอยู่อย่างมิจชิก ด, ดังท่านกล่าวไว้ว่าอาวิชาปัจญาสร้างฆาราเป็นต้นนี่แลหละคือตัวการอันแท้จริงแทรกอยู่ภายในจิตครอบนำจิตด้วยไม่รู้เหตรู้ผลต้นกลายที่เป็นแง่แห่งอัดแห่งทมซึ่งจะย้อนเข้าไปเป็นฆาตสืบแก่มันได้เลย นอกจากมันเป็น <c oughs> ผู้ตกผู้แต่งผู้บังคับบัญชาให้คิดให้ปรุงให้จดให้จำให้ยินดียินร้ายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธโดยถ่ายเดียวเท่านั้นทำไม่มีทางที่จะทราบได้เพราะมันทำหน้าที่เสียทั้งหมด เราจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่น่าจะผิดในเวลาที่กำลังมืดมิดปิดหัวใจอยู่ด้วยอำนาจของสิ่งมืดดำทั้งหลายเหล่านี้นอานเชงการว่าจิโฉบุตธธานํมมุ ป, ปาโดความบุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นลากอันประเสริฐคือลากของสัตว์ ที่จะได้มีช่องทางแบวกว่ายออกมาจากหล่มลึกหรือโลกันตะจิตเพราะพระพุทธเจ้ามาอุบัติแตระพระองค์นั้นทรงลื้อขนสัตว์โลกทั้งหลายออกไปจากสิ่งคุมขังสิ่งกดขี่บังคับได้เป็นกันนวนมากมาย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 โดยหมุนจิตใจให้ก่อกำเนิดเกิดในภพต่างๆประจักษ์พระไทยและเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ประจักษ์ในจุดเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ถูกสลายทำลายลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วน้ําพระไทยที่เต็มไปด้วยแห่งความเมตตานั้นเนื่องมาจากได้ทรงเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษนั้นอย่างเต็มพระไทยมาแล้ว และเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่ประจักอยู่นั้นเต็มพระทัยเช่นเดียวกันยองทรงสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาสงสารล้วนๆไม่มีใครเสมอได้อีกด้วยในพระนามว่ามหาการุณิโกนาโถนิตายสัพปานินงพระพุทธเจ้าเป็นที่ขึ้นอันเอกของสัตว์โลกและเต็มไปด้วยพระเมตตาสุนาต่อสัตว์ต่อสัตว์โลก คือเป็นพระเมตตาจริงๆไม่มีอะไรเคลือแฝงเล ย, เลยกรุณาจริงๆนับตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วไม่จงนอนใจอย่างภาษาของเราเพราะธรรมชาติแท่งพระเมตตาและกรุณานั้นกระหน่งว่าเตือนพระไทยอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ จึงต้องพยายามสั่งสอนสัตว์โลกถึงขนาดว่าไม่มีเวล่ำเวลาตอนกลางนี้กลางงวันก็สอนประชาชนมนุษย์มานานสอนภิกษุหรือบริษัทธสีตกกลางคืนก็สั่งสอนเทพทั้งหลายในชั้นต่างๆตั้งแต่ลุกขัดเทพ ถึงสวรรค์ชั้นนั้นๆจ น, นถึงธมโลกพอปล่อยจากงานนี้ก็ทรงเลนยานดูสั ต, ตวโลกที่จะมาเกี่ยวข้องในตาข่ายคือพระยานของพระองค์ว่าจะควรแนะนำหรือรีบแนะนำสั่งสอนสัตว์รายสัตโลกรายใดบ้างที่ ควรจะรับอรทมเต็มภูมิอยู่แล้วแต่จะเป็นอันตรายแส่ชีวิต้ะก่อนก็ทรงรีบไปประทานบ อ, อกว่าโปรดสัตย์ดายนั้นนั้นให้หลุดพ้นไปทำกับการกับเวลาของธาตุขันที่ยังไม่มาถึงวาระของตนคือตายตอนเช้าก็เสด็จออกบินทวาย โปรดสรัตว์โลกให้เขาได้เห็นได้ยินจะรับสั่งออกมาด้วยอัดด้วยทำประโยคใดบทใดก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแจกดวงใจของสัตว์โลกเป็นจานวนมากการให้ทานแจกละชิ้นละชิ้นในวัตถุประจายนั้นก็เป็นประโยชน์มหาศาล เพราะผู้ให้ก็ได้ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความเชื่อความนิมิตเป็นพลังสําคัญที่จะให้เกิดปืญเกิดกุศลเต็มที่อยู่แล้วประกอบกับวัตถุทานก็ได้เสียสละลงเต็มเจตนาของตนการโปรดสัตว์พงโปรดอยู่ตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้เลยทำที่นํามาโปรดสัตว์นี้ก็ไม่มีใครค้นพบมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว ไม่ว่าจะเป็นทาขั้นใดทำ ม, มสมบัติจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานก็ไม่มีใครที่จะหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้เห็นหรือให้รู้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้เต็มพระทไทยอยู่แล้วมีการทํา ทุระของพระพธิเจ้าเกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายทั้งหยาบทั้งก ล, ลางทั้งละเอียดที่มนุษย์ด้วยกันไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและทรงทำประโยชน์โดยตลอดทั่วถึงแก่บรรดาสัตว์ทุกขั้นทุกภูมิเรื่อยมาจึงมีพระนามว่าสัทธาเทวมนุษย์สาคือเป็นครูให้การอบรมสั่งสอน ทั้งมนุษย์และเทวดาไม่จำกัดตั้งแต่ลุกขัดเทวดาจนกระทั่งถึงธมมโลกมีเรียกว่าเทวดาทั้งนั้นในคำพูดรวมของเทพทั้งหลายการกล่าวที่ว่าพระพุทธเจ้าท ร, ทรงอุบัติแต่ละโพกนั้นเป็นลากของสัตว์ก็เพราะสัตว์นั้นถูกจำจองอยู่แล้ว ด้วยความทุกข์ร้อนประการต่างๆทั้งทุกข์ธรรมดาทั้งหมาหันตทุกทุกโดยความมืดความบอดความไม่เห็นถนนพ้นทางที่จะแยกจะแยกออกไปสู่จุดใดอันเป็นความพ้นภัยหมุนเวียนอยู่กับความทุกข์ความทรมานด้วยความมืดดํากำตาท่านเหล่านี้มีความหิวกระหายต่อความพ้นจาก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 ฟังอย่างถึงใจปฏิบัติตนอย่างเอาชีวิตเข้าเป็นตัวประกันจนถึงกับหลุดพ้นไปได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่มีหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ละโพลเป็นเช่นนี้ต่อสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มีโทษแม้นิดหนึ่งในการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลก นอกจากเป็นบุญเป็นคุณมหาคุณอย่างยิ่งเท่านั้นเราทั้งหลายได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งสมเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งอยู่แล้วกับาศาสนาธรรมที่ทรงประกาศสอนมนุษย์เป็นอันดับแรกที่ควรจะนำมาประพฤติปฏิบัติกาจัด สิ่งยกกลุ่มลังสิ่งจิตขว้างทิมแพงทั้งหลายอยู่ภายในใจให้ดุรลอยออกไปตามความเพียรของเราจึงไม่ควรท้อถอยน้อยใจว่าเราบุญมีบุญน้อยวาชนะน้อยไม่สมควรจะทำทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าแทะไม่ให้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลัวจะดูกพ้นจากบ่วงแห่งมารไปเสียเพราะกิเลสเป็น เป็นมารท่านจะเรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารจะจะหาที่ไหนตรงดูที่ดวงใจซึ่งมันแสดงความเป็นมารต่อใจอยู่ตลอดเวลาเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะประกอบความเา่เทีเยนตำบุญให้ทางรักษาศิลภาวนามันจะขจจะขวางทุกแง่ทุกหมุมนี่คือมารของความดีทั้งหลายหรือมารของธรรมเป็นอย่างนี้อยู่ที่หัวใจ จงดูที่หัวใจของตัวเองดูที่อื่นไม่เจอไม่เห็นถ้าดูที่ดวงใจแล้วจะเห็นจะรู้ทั้งจะได้ละได้ถอนกันตามจุดที่มีอยู่นั้นโดยถูกต้องความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เคยมีเคยเป็นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผึดขึ้นมาจะไม่มีความเบื่อหนา่าอิ่มพอ จะทำให้ดูดดื่มอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากสําคัญมั่นหมายอยู่เรื่อยไปไม่มีคําว่าล้าสมัยไม่มีคําว่าความคิดความจําเหล่านี้เป็นเดินไปแล้วไม่สมควรที่จะนํามาคิดมาปรุงมาสําคัญมั่นหมายอีกต่อไปดังนี้ไม่มเป็นสิ่งที่มีรสมีชาติด้วยอํานาจแห่งเพลงตรมของมันไม่ให้จืดจางได้เลยนี่อ่ะ จึงเรียกว่ากิเลสนี่แหลมขมมากที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสการคุมอำนาจก็ไม่มีใครเกินกิเลสคุมอานาจทายในหัวใจใส่ถ้าไม่มีธรรมเข้าแสงสว่างคือธรรมเข้าซองดูเรื่องของกิเลสแล้วจะเกิดจตตาอยู่กี่กับนับไม่ถ้วนก็เช่นเดียวกับมดแดงตายขอบโลกนั่นแหละตายไปถึง ที่เคยไต่กี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทราบว่าได้เคยไต่แล้วขอบดงตรงขอบนี้หรือสถานที่นี้เคยไต่ามาแล้วจะไม่มีทางทราบเลยเพราะยีเด็กปิดไม่หมดไม่มีทางทราบได้เช่นเดียวกับคนตาบอดจะจูงไปไหนกี่ครั้งกี่หนจะไม่มีทางทราบได้เลยว่าที่นี่เคยมาแล้วที่นั่นไม่เคยมาเพราะไปได้วยความตาบอด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 วัตตาสงสารให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้สําคัญมั่นหมายไม่มีความอิ่มพอใจข้อเช่นเดียวกันเหมือนเป็นของใหม่อยู่เสมอไปทำช่างที่เป็นของเก่าเคยคิดมาเคยปรุงมาแล้วเคยสําคัญมั่นหมายมาแล้วเคยให้ความทุกข์ความลําบากทรมานมาแล้วมากน้อยเพียงไรก็ไม่สนใจในโทษที่เคยคิดเคยปรุงนั้นมีแต่ความดูดดื่มเพราะกิเลสจูงไปเพราะเพลงของกิเลสมันสนิดดืี ดูดเดิมให้ติดให้พันรักก็ติดใจชังก็ติดใจโกรธก็ติดใจเปรียดก็ติดใจอะไรติดใจทางนั้นเพราะกิเลสเป็นเครื่องให้สัตวโลกติดไม่ใช่เป็นเครื่องที่จะให้สัตว์โลกเบื่อนหน่ายมันแล้วปล่อยวางมันไปเมื่อเราจะทําคุณงามความดีมันจึงต้องเข้าขับขวางเพราะไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสว่าอาการของเราที่ทําเช่นนั้น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 ว่ากิเลสจะมาอยู่ที่ตรงไหนนอกจากอยู่ที่ใจแล้วยังแสดงว่าภาพออกมาในทางจงกบว่าภาพออกทางสมาธิว่าภาพออกทุกงแง่ทุกมุมขณะที่จะนั่งภาวนาว่าภาพของทุกไว้แล้ววาภาพให้เกิดความลำคาญไว้แล้วว่าภาพให้เกิดความท้อถอยน้อยใจไว้แล้ววาภาพให้เกิด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 ถ้าอยู่เฉยๆมันกม็มีอะไรต่อสู้นอกจากนั้นก็ฟังเพลงของมันก่อนให้เพิดเพลินไปเรื่อยเคิรมไปเรื่อยด้วยความยินดียินลายอืมโศกสั่นกันแสงก่อฮอใจกันไปตึ้นลึงมันเถิงในอดีตาลมณ์คืออดีตที่ล่วงมาแล้วในเรื่องใดก็ให้เพลินไปตามเรื่องที่เคยเป็นมาแล้วไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายอิ่มพอในสิ่งที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นของเป็นเดนินเป็นเดนินนั่นบ้างเลยเป็นอย่างนั้น ถายอยู่เฉยๆมันก็กล่อมไปอีกแบบน่ะชุดลากไปเหมือนเราจูงวัวจุงควายนี่จะจูงไปไหนก็แล้วแต่จูงไปใช้การใช้งานหรือจะจูงไปข้าก็ไม่รู้พราะถึงจุดที่รู้เป็นถึงที่จวนจุดที่จวนตัวแก้ไขไม่ได้ไปแล้วต้องยอมจมไปยอมตายไปเลยเป็นอย่างนี้สึ่งเหล่านี้มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของโลกโลกไม่อาจทราบได้เลยถ้าไม่มีชาติทําเป็นเครื่องพิสู นิชารมเป็นแต่เพียงสุดจำได้หมายรู้ธรรมดาดังที่เราเรียนมานี้ก็เป็นไปมาได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าปริยาตได้เกี่ยการซึกงสาเนียกศึกษาให้เข้า อ, อกเข้าใจนับแต่วันเริ่มแรกถ้าหลักนับบวชคือเตืสาลร ม, มานขาทันตาตะโจเป็นต้นที่อุปชัยมอบให้นี่คือหลักนิชาสอนลงที่ตรงนี้มีเรียบปริยตัตได้แล้ว การปฏิบัติคือก็คือการคลี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันเรียกว่าภาคปฏิบัติการกำหนดพิจรารณาธรรมะจิตใจของตนด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี้แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีในบรรดาที่เด็ดน้อยใหญ่หนาบางขนาดไหนซึ่งรุ่มลุมอยู่ภายในใจิตใจ และแผ่กระจายไปตามวิยวะต่างๆให้เกิดความสําคัญมั่นหมายจนติดแนบภายในใจปัวหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราแม้เป็นของเขายังรักอย่างชอบอย่งเกลียดอย่งชังอยา่าว่าแต่เป็นของเราที่รักชอบโดยสักเดียเลยนี่มันแผ่กระจายอํานาจของมันไปอย่างนี้แล้วเราหาทราบไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสเป็นผู้แผ่อํานาจออกไปด้วยความจองปลอมหาความจริงจังอะไรไม่ได้เลยถ้ามันมีธรรมคือสติ ทำปัญญาทำเป็นต้นพิสูจนจะไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรดินก็จะถือมาถือว่าเป็นเราน้ําลมไฟก็จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราแม้ของเขาก็จะถือยึดเข้ามาเป็นของเราได้ด้วยอานาจของจเจดิตมันแผ่กระจายไปไม่ให้เจ้าของรู้ได้เลยโดยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นการพิสูจน์หาความจริงเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความจริงล้วนๆเพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ เพราะการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมเพราะการปฏิบัติฆ่ากิเลสตายฆ่ากิเลสให้ดลุดลอยออกจากจิตโดยสิ้นเชิงเพราะภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคสําคัญที่จะเอาคําสัตย์ความจริงต่อกันระหว่างทำกับกิเลสระหว่างวัฏจักรกับวิวัฏจักรรอบกันจะจะรอบกันที่จุดนี้ด้วยธาตปฏิบัตินี้รู้กันกระรู้ที่ตรงนี้ได้ชัยช น, นะก็ได้ที่ตรงนี้ไม่ได้ที่อื่นที่ใด เราเป็นต้องนักปฏิบัติตรงทำจิตใจให้เข็มแข็งคอยสั้งเสดทั้งการเรื่องเพลงของกิเลสมันกล่องแบบไหนท่าไหนก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เพียงเองดอนดรอเท่านั้นปริยายมากก่อนนี้ไปก็คึงทราบว่าเป็นส่วนมากมีแต่เพลงของกิเลสทั้งนั้นกล่อมพวกเราอยู่ตลอดเลลวลาแม้ที่สุดในสถานที่ทำความภักเพียรไม่ลดละปล่อยวางเลยตัวพยายามที่สุดก็คือตัวนี้เป็นแนวลึกแนวลับ สลับซับซ้อนเป็นสื่ออันสําคัญตามรู้ตามเห็นอาการความเคลื่อนไหวของเราจะเป็นไปนในแนวใดเหมือนกับเหมือนที่ว่านักสึกลรือพวกที่ว่าตํารวจนอกเครื่องแบบเป็นแบบนั้นมีทั้งในเครื่องแบบมีทั้งนอกเครื่องแบบคืมีทั้งอย่างเด่นชัดมีทั้งอย่างสลับซับซ้อนไม่ให้เรารู้เลยด้วยเหตุนี้จึงมีการมีความลําบากในการปฏิบัติ เพราะมีการต่อสู้กั น, ไ ม, กนไม่ต่อสู้ก็ไม่เรียกปฏิบัติไม่เรียกว่าโรคถ้าท้อถอยเมื่ อ, อไหร่เป็นว่ามันได้เกลียดเราทุกทีไม่ต้องสงสัยต้องพยายามเอาให้กินให้จังการนอนเป็นมีนายวตาสงสารด้วยอํานาจของกิเลสถ้าให้เป็นไปหรือบังคับบัญชาหรืออยู่ในอํานาจของกิเลสนี้เราได้เคยอยู่ใา้อนาคมันมานานแล้วไม่มีอะไรที่เป็นที่สงสัยหากจะวิเศษยโสเราก็ ทุกๆคนสัตว์ทุกตัวก็ควรจะได้รับความมิเจษมิโสไปแล้วจากกิเลสทั้งหลายที่ย่ำยีปีธาจิตใจของเราเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้บัดนี้เราต้องการความเจริญความสุขความจเจริญความสงบสุขเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายายทางก็คือความพ้นจากทุกข์เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องห้ามหันกันอย่างเต็มที่เต็มฐาน ในการปฏิบัติของเราเรวอย่าลดละท้อถอยนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ใช่กิเลสพาให้ประเส ร, ริฐการต่อสู้กับกิเลส เ, เพื่อชัยชนะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ป ร, ระเสริฐทุกข์ก็ทุกข์เพื่อความประเสริฐจะลำบากลาบนเพียงไรในการประกอบความภาคเพียรที่ต่อสู้กับกิเลสให้ถือว่าความลำบากอันนี้เพื่อความประเสริฐไม่ใช่เพื่อร่มจบ Tomb. พอที่จะเกิดความท้อถอยอ่อนแอเอาให้จริงให้จริงนักปฏิบัติ ย่าพ้อถอยลูกศิทถาคแล้วจะได้เห็นบ่ามรรคนิพพานเป็นอย่างไรจะไม่นอกเหนือจากวงแหวนสวดคาถธรรมและผู้ปฏิบัตินี้ไปได้เลยขอให้ใช้ความคิดพิณิพิจนาตัติปัญญาอย่ารุ่มเทไ ป, ไปสู่สิ่งภายนอกมันจะเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเสียไม่สมกับเรามาผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเอาสติปัญญานี้ไปห้ามหันกับกิเลสและปลาราบตามกิเลส แม้จะกลายเป็นเรื่องของกิเลสเอาสติปัญญานี้ไปปราบตามเราอย่าเสียดายความคิดความตุกอยากจะยดายความสําคัญมั่นหมาอย่าเสียดายเรื่องราวที่เคยเป็นมาแล้วมากน้อยเท่าไรมันเป็นเพียงละดมแรงแรงที่วาดภาออกจากใจอันเป็นอ่ไปพร้อมหน้าของกิเลสนี้พาให้เป็นไปต่างหากไม่ใช่เป็นไปเพราะทําเป็นผู้พาให้เป็นไปทำที่พาให้เป็นไปนั่นคือเป็นไปจากความเพียรเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความพินิจพิจารณา โดยทาําแล้วจะเห็นเรื่องของกิเลสความดุรับสลับซับซ้อนเพียงไรของกิเลสจะรู้จะเห็นกันไปโดยลําดับเมื่อรู้เห็นแล้วทําไมจะไม่ได้ต่อกนอกันต้องได้ต่อสู้ต้องได้ตัดฟันแก้ไขกันจกกนกระทั่งถึงเล็ดลอดออก ไ, ไปได้โดยลําดับลํา ด, ดับจิตไม่เคยสงบเลยก็เพราะกิเลสพาให้วุ่นเราอยากเข้าใจว่าทำพาให้วุ่นกิเลสต่างหาพาให้วุ่นกิเลสต่าหาพาให้ทุกข์ ไม่มีอะไรพาให้ทุกข์ในโลกนี้มีแต่กิเลสทั้งนั้นพาให้ทุกข์แม้ร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะกิเลสเป็นสําคัญที่ผิดร่างกายนี้ขึ้นมาเป็นรูปเป็นหน้างไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมาจากไหนมาจากกิเลสเราจะประตจำนิที่ไหนไม่มีช่องที่จะไม่ตําหนิกิเลสถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องไในตําหนิกิเลสทุกช่องทุกระยะคื่อตทีเคลื่อนไหวมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเรื่องของกิเลส ทำแท้ไม่ได้พาให้เป็นทุกข์ให้ทราบอย่างนี้จิตทําไมจิตไม่ลงจิตวุ่นวายนั่นคือกิเลสออกทํางานเต็มที่เต็มฐานเราต้องต่อสู้กิด้วยการบังคับจิตเอาจะเป็นจะตายก็บังคับกิเลสบังคับก็บังคับมาพอแล้วสร้างแต่ความทุกข์ให้เราไม่อิจฉาละอาใจไม่เข็ดละ บ, บ้างเหรอ เวลาจะประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์บ้างเพียงเล็กเ็น้อยๆอยมีแต่ความเข็ดความหลักนั่นแล่คือถูกกล่มจากกิเลสแล้วทุกแค่ล้วก็ให้ทุกการต่อสู้กับกิเลสเอาให้กิเลสมันหลุดลอยให้เห็นต่อหน้าต่อตาประจากสติปัญญาของเรานี่แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญาแท้เป็นผู้มีความเพียรแท้อา่าจริงจังตรงนี้ยิสงบพเพราะอะไรก็เพราะ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 ไม่ได้เสียหายไปไห น, นจะออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่าถือการถือเวลาอย่าเอาเป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรเป็นแบบที่ว่าเรียงลำดับจะกลายเป็นปริยัติจะกลายเป็นเรื่องของโลกไปเป็นแบบแปลนแผนถังไปทำหน่งนั้นไม่ถูกสำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อโอกาสเมื่อจังหวะเหมาะเมื่อไรที่ควรจะพิจารณาเอาพิจารณาลงไปเลย หยุสงบขนาดไหนก็เป็นพื้นเป็นฐานหรือเป็นบาทเป็นฐานของปัญญาได้เช่นเดียวกันหมดหยุดมีความสงบแค่นี้ก็เป็นบาดเป็นฐานขอ ง, ของการพิพจารณาทางด้านปัญญาในขั้นนี้ขั้นนี้ต่อไปโดยลํำดับเวลาจะสงบก็เอาให้สงบหยุดไม่นอกเหนือไปจากการบังคับปัญชาของสติปัญญาไปได้นิเหรศกลัวเรื่องสติปัญญาไม่ได้กลัวเรื่องความเผลอเลยเพราะนั้นเป็นเรื่องของิเด็กโดยตรงอยู่แล้ว พยายามเอาให้เอาให้ดีผู้กำหนดอนาปานาสติก็ให้รู้ให้รู้แต่ลมเท่านั้นอย่าไปคาดไปหมายถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั่นอย่างนี้หรือจะเกิดเป็นแสงสว่างมองเห็นนั่นมองเห็นนี้มองเห็นเทบุตรเทวดาสวรรค์ชั้นผมนรกอเวจีอย่าไปสําคัญมั่นหมายนอกไปจากตัวเหตุที่กําลังทําอยู่เวลานี้คือการกําหนดลมหายใจด้วยความมีสตินี่เป็นหลักฐานสาคัญที่จะสร้างผลขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัย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 ให้มีความรู้อยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธตั้หนึ่งว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยพอที่จะเป็นสองกับสิ่งนั้นเป็นสามกับสิ่งนี้มีอยู่อันเดียวเท่านั้นคือคําว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันดโดยลําดับลำดับนั่นแหละทีนี้คําว่าพุทโธที่เรานำบริกรรมนั้นเมื่อจิตสงบเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปคําบริกรรมกับคำว่าคําคําว่าพุทโธกับความรู้นั้นจะกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทีนี้ คำว่าพุทธโธพุทธโธเลหะเงียบไปกลายเป็นความรู้ที่เด่นชัดขึ้นมานั่นถึงตัวแล้วถ้าเป็นตามรอยโคก็ถึงตัวโคแล้วปล่อยลอยมันได้อันนี้ก็ถึงตัวพุทธะซึ่งเรียบเหมือนตัวโคแล้วปล่อยคําบกรรมนั้นได้ในเวลานั้น <c oughs> ผููกําหนดอนาปานสติก็เช่นเดียวกันลมจะหยาบจะละเอียดก็ให้รู้อยู่ตามธรรมดาอยา่าไปคาดไปหมายอย่าไปบงังคับปัญชาลมให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้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 ใจเลยว่าจะพบโคแต่เมื่อไปตามรอยมันไปแล้วยังไงก็แน่ใจถึงตัวโคแน่ๆคำใบกรรมจริ้ต้องเลยขยับเข้าไปเรียกว่าตามรอยโคไปโดยลำดับการกําหนดลมหายใจก็เหมือนกันอยาพอกให้รู้ว่าอยากอยาไปแสดงความกังวลวุ่นวายและอย่าไปกลัวตาเพราะลมหยาบเพราะความอึดอัดความอึดอัดเราทําการทํางานอะไรมันก็มีอึดอัดอย่าว่าแต่กําหนดภาวนานี่เท่านั้นหน่อยมันอึดอัดมากกว่านี้ มีมากมายแต่กองแบกบไม้หามเสายกของหนัหนกๆมันก็อึดอัด จ, จะตายไปทั้งล่างอย่าว่าจะอึดอัดภายในหัว อ, อกและลมหายใจเท่านั้นมันจะแตกไปทั้งล่างเพราะความหนักความทุกข์มากเรายังทนได้ยังรู้เรื่องของมันว่านี่เพราะของหนักมันต้องเป็นอย่างนั้นในขณะที่กําหนดอนาปาติคือลมหายใจเวลาลมมันหยากก็เหมือนกับของหนักมันย่อมมีความอึดอัดเป็นธรรมดาอย่าถือเป็นอารมณ์อึดอัดก็ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นขําคัญ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 ผลจะเกิดขึ้นอย่างไรอย่าไปคาดไปหมายให้เสียเวลาเวลาจะหนีจากหลักของเหตุอันเป็นที่จะให้เกิดผลนั้นไปเสียเพิ่งกําหนดเหตุคือการกระทํานั้นด้วยดีแล้วลมหายใจจะละเอียดเข้าไปแล้วละเอียดเข้าไปเมื่อละเอียดเข้าไปแล้วจิตก็แสดงว่าจิตนั้นละเอียดละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงลมหายใจหมดไปก็ตาม ท, ทั้งๆังที่รู้ว่าละเอียดละเอียดไปเดิมดับ แล้วหายไปเสียในขณะนั้นไม่ปรากฏลงเลยก็ไม่ต้องกลัวลมหายไปความรู้ไม่ได้หายเราภาวนานี้ไม่ได้ภาวนานเอาลมเราภาวนานเอาความรู้ต่างหากให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องมิตกวิจารกลัวจะล้มจะตายเมื่อใจยังคลองร่างอยู่แล้วลมจะหายไปก็หายไปเถอะจะไม่ตายจิตจะอยู่ด้วยความอิสระอยู่ด้วยความไม่หวั่นไหวอยู่ไม่ด้วยความไม่เป็นกังวลและกลัวอะไรทั้งนั้น มีคือการกำหนดลักงหนดอย่างนั้นือเมื่อถึงวาระที่จะควรพิจารณาแยกแยะตามหลักของวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งในสิ่งแทรกซึมทั้งหลายได้จะที่เรดตัวแทรกซึมอยู่ภายในร่างส่วนต่างๆเอาแยกดูให้ดีแยกประตั้งแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฟันจะถนัดในอาการไหนก็าตามในสามที่สองอาการที่มีอยู่ในร่างกายได้ทั้งนั้น ไม่จำเป็นจะต้อง排列ลำดับลําดาพิจาราผมแล้วขนแล้วเล็บแล้วฟันแล้วหนังเนื้อกระดูกไม่ต้องอย่างนั้นอันนั้นท่านแสดงไว้เพื่อความเหมาะสมสําหรับนิจจลิทธิ์นิ ส, สัสสยต่างกันต่างหากเราเหมาะสมเราถูกกับจลิทธของอาการแบบเช่นหนังกําหนดดูหนังทั้งภายในภายนอกหรือมันไปสนใจกับผมก็ดูผมต้งที่เกิดที่อยู่ของผมไปยังไงมันสะอาดหรือสกระปกท้องมุมอย่างไรบ้างเล็บฟัน ฟันก็คือกระดูกนั่นแหล ะ, ะดูเราถนัดตรงไหนกับกรดิตของเราจับจุดนั้นไว้พิจารณาแล้วจะแพรกระาจายไปหมดในอาการต่างๆปิดไม่อยู่เช่นเดียวกับไฟได้เชือ้พอพะจ่อลงจุดเดียวเท่านั้นมันจะดุกลามไปตามเชื้อที่ดีอยู่นั่นจนหมดนี่ก็เหมือนกัน ถ, ถ้าจิตมันจับต ร, ตรงไหนไม่ได้จะพิจารณาทั่วสาราร่างกายก็ได้ พิจารณาลางไปดูหนังทั้งทางนอกข้างใน้างบนข้างล่างหุ่มห่ออวัยวะพันแสนสกปตกโซโมมแสงปฏิกูลโสโครกนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุรุตาปางไว้ว่าเป็นจักเป็นบุคคลว่าเป็นเขาเป็นเล่าว่าเป็นของสวยของงาม น, นี่คือกลมายาของจิเลศตัวจอมปลอมมันหลอกสิ่งสกปตกโสมมว่าเป็นของสวยของงามมันหลอกธาตุสีดินน้ำลมไฟว่าเป็นจักเป็นบุคคลให้ยึดให้ถือให้หลงงม ง, งาย แล้วเสียบลูกศอนเข้าไปสู่จิตใจของเราใหรับความทุกข์เมื่ออาการเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กๆน้อยๆหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรผิดไปตามความต้องจากความประสงค์หรือความต้องการของมันมันจะสร้างทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีนี่ก็เพราะกิเลสเป็นสํามขันเป็นผู้กล่อมต้พิจารณาดูให้เห็นชัดเจในสิุ่มเหล่านี้ดูแล้วดูเล่าอย่าดูสักแต่ว่าดูดูสักก็เป็นพิธีขี้เลสไม่ใช่เจ้าพิไม่ใช่ตัวพิถีนะตัวขี้เลสจริงๆ ทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้จริงๆไม่สงสัยไม่ใช่พิธีการพิจารณาจริงจะนําเรื่องพิธีดีตองเข้าไปใช้ซักแต่ว่าพิจารณาอย่างนั้นเข้ากันกับทําไม่ได้แต่เข้ากับกิเลสได้สนิทเพราะนี้เป็นเรื่องของกิเลสพิจารณาให้ดีดูให้มันชัดเจนเลยนั้นปฏิมานี่แหละสวขาธรรมท่านตรับไว้อย่างนี้ดูตามหลักสวขาธรรมดูตามเรื่องของกิเลสติดตามเรื่องของกิเลสเดินตามเรื่องของกิเลสหลงตามเรื่องของกิเลสทุก พอเรื่องนเี่ยเราเคยเป็นมามากต่อมากแล้วบัดนี้จะหมุนจิตเข้ามาสู่ธรรมอันเป็นความจริงนั่นเป็นตัวจำปลอมที่เคยหลอกหลอกมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วโทษของมันเป็นไงทีนี้จึงย้อนเข้ามาสู่หลกักความจริงอ้าวกิเลสมันว่าสวยว่า ง, งามตรงไหนหนังดูที่หนังสวยนังงามไหมดูข้างนอกคนก็มีแต่ขี้เหนือนที่ใครเรียกว่าขี้ทั้งนั้นต้องช้าต้องล้างทั้งทุกปี่ทุกวันไม่ชะไม่ล้างไม่ได้ เวลานหนุ่งห่มใช้สอยอะไรเข้ามาถ้าเข้ากับร่างกายนี่แล้วจะ ก, กลายเป็นของโสโครตกไปหมดไม่เห็นมาเป็นของสะอาดเพราะมาทาเข้าร่างกายนี้เลยก็เนื่องจากอันนี้เป็นตัวปฏิกูลโสโครกองอชุพะอสุพังอยู่แล้วเต็มตัวมันจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อพิจารณาเข้าไปตรงไหนก็เป็นแบบเดียวกันหมดนี่คือโลกนี่ผูกความจริงเอาจะ ถ, ถลกหนังลงไปก็ออกดูสิะลกออกไปดูสิเมื่อถลกหนังออกไปหมดแล้วร้างทั้งล่างของ ของเรานี้ของก็ดีของเขาก็ดีของใครก็ดีดูได้ไหมถ้าเป็นของสวยงามจริงๆแล้วแต่ออกจุดไหนทะลุออกตรงไหนจะต้องเป็นของสวยงามและยิ่งเด่นขึ้นที่ถ้าว่าเป็นตามความจริงของจิเลศดี่างนี้มันไม่เป็นตามความจริงของเดชเพราะมันปลอมความจริงของธรรมดูไปตรงไหนเห็นแต่เต็มไปด้วยความสโปรกโสมมมทั้งนั้นทะลุออกหมดแล้วดูกันได้หมายแดงโล่ไปหมดทั้งตัวดูกันได้หมาย น่ารักที่ตรงไหนนาชอบที่งไหนหน้ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนแล้วยิ่งผุ้พองหน้องไหลออกมาด้วยแล้วดูได้เหรือแล้วกำหนดถ้ามันแตกะจัดประจายออกจากกันมันเปื่อยมันเน่ามันสลายตัวลงไปโดยลำดับลาดับทั้งร่างอันนี้เหลือแต่โครงกระดูกสิ่งเนึ่งนั้นก็กระจายตัวลงไปกระจายตัวลงไปจนกลายเป็นดินเป็นน้ำโครงกระดูกนี้ก็เป็นธาตุดิน ก็ซืมคาบลมกืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับกับดินดินนี้เหลือเป็นเราดินนี้เหลือเป็นเขาดินนี้เหลือเป็นสัตว์เป็นบุคคลน้ำนี่เหลือเป็นสัตวเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาลมไฟนี้เหลือเป็นสัตเป็นบุคคลดูแล้วดูเล่าย้ำลงไปถ้ามันเห็นเด่นชัดว่าสักแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือปัญญาพิจารณาหลายตลบทบทวนจนกระทั่งมีความชานิชานาญและเข้าใจเต็มที่เต็มฐานท่องจำแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของสภาพแต่ละอย่างละอย่าง จิต่านเข้าไปสู่ความละเอียดซึ่งมียิ่งกว่านี้ในขณะเดียวกันเวทนาก็แยกกันไม่ออกที่จะต้องพิจารณามันควรที่จะนนพิจารณาหรือไม่อิจารณาก็อภิจนาไม่ผิดตรงไหนเพราะเป็นสัตว์จะทำด้วยสัตว์จนกระทั่งเข้าใจได้ทั้งเวทนาก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปถึงอไแล้วดับไปโดยอาศัยร่างกายนี้เป็นพื้นฐานแห่งการเกิดของเวทนาสุขทุกข์เฉย มีมาถึงเวทนาทางกายมันก็ม so oh ีเพียงเท่านั้นกลายเป็นการเวทนาเป็นเวทนาทุขทุกข์เฉยๆเป็นสุขเป็นทุกข์เเฉยๆเป็นความจริงจะระย่างอย่างของมันตายก็เป็นความจริงอีกหนึ่งของกายไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแม้ทุกเวทนาเกิดขึ้นตัวทุกเวทนาเองก็ไม่ทราบความหมายสองนว่าได้เป็นทุกข์และได้ให้ทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดร่างกายเองก็ไม่ทราบตัวเองว่าได้มีทุกข์เหยียบย่ำทําลายตนเป็นกายอยู่เช่นนั้น ที่สำคัญก็คือตัวสัญญาออกมาจากสมุทยัยมันสําคัญมั่นหมายว่ากายเป็นเราเป็นของเราทุกขคฤตนาที่ปรากฏขึ้นนั้นก็หมามาว่า เ, เาเป็นเราเป็นของเราเทั้งหมดเลยยุ่งกันใดกลายเป็นทุกคฤตนาภายในจิตใจขึ้นมานี่การพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงอของการพิจารณาแล้วจะเพิกถอนไปได้โดยลําดับลําดาบนี่ถึงการที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้อย่างเอาจริงเอาจัง ให้ถึงเหตุถึงผลบังคับจิตบังคับการพิจารณาด้วยสติเวลานั้นอยาเข้าใจอยาสําคัญยามั่นหมายกับงานใดสิ่งใดในโลกนี้ประหนึ่งว่าอันใดไม่มีมีแต่เรากับงานที่กําลังทํากันอยู่นี้เท่านั้นอยาเสียดายอารมณ์ที่มันจะอแฉแนบออกไปทะเลถลายออกไปคิดนั้นทะเลทเลายไปจิตนี้อเรื่องของกิเลสมันแหลมคมมากนะเคยพูดแล้วพูณเล่าขณะพิจารณามันก็ลาก มันพยายามล่ากันตลอดเวลาพราะได้โอกาสมันจะล่ากออกไปให้ใหพลาดจากงานหรือล่ากออกไปให้ให้พลาดจากงานไปเป็นงานของมันจนได้เลยนี่ในตอนที่เรากําลังข่คมขู่เรากําลังฝึกเรากําลังทรมานมีการต่อสู้กับความเฉลถลี่ยของกิเลสอยู่เป็นอันมากต่อเมื่อเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพราะกิเลสอ่อนกําลังลงไปสติปัญญามีความสามารถมีความแก่กล้าเห็นความจริงไปโดยลําดับตำดาลแล้วกําลังของสติปัญญาจะหมุนตัวของตัวไปเองกิเลสก็มีกําลังน้อยไม่ก็มีอะไรมาต้านทานขีดขวางสติปัญญาจะทําหน้าที่ได้ตามอัตโนมัติคือได้โดยอัตโนมัติของตนไม่ต้องถูกบังคับบัญชาเหมือนอย่างแต่ก่อนที่กิเลสมีกําลังมากอยู่นี่ท่านเดียว สติปัญญาโนมตัติในครั่องพุทธการท่นว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองอะไรสัมผัสสัมพันธ์หมุนไปตามเพื่อได้เหตุได้ผลเพื่อละเพื่อถอนนะแม้จะไม่มีอะไรมาสัมผัสยังต้องหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาคนขี้เหลียวขุดค้นหาสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามคือกิเลสทั้งหลายเอาจนแหลกแตกกระจายไปนี่การพิจารณานี่คือการรือวัตตะรือออกจากใจใจเป็นตัววัตตะ เอาพิจารณาเข้าไปจะรู้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ถามพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็าตามเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วคือความจริงนั่นแหละเป็นองค์ศาสดาแท้เอาอีกแล้วนะคือความจริงล้วนๆนั่นแหละเหมือนกับว่าองค์ศาสดาอยู่ที่นั่นพ่อสอนตามหลักความจริงทแท้นในพูดถึง่งขั้นปัญญาอัตโนมัติสติอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากได้ รั้งกันไว้เท่านั้นเพราะความเพลินกับความภาคความเพี้ยนความเพลินในการฆ่ากิเลสความเพลินในธรรมตั้งหลายเป็นเหตุให้หลุดพ้นมีกําลังกลา้าเห็นโทษก็ของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมที่ปรากฏประโดยลําดับลำดาก็เห็นอย่างถึงใจถึงใจอาเต็มดับทั้งสองอย่างทั้งเห็นโทษอย่างถึงใจและเห็น เห็นโทษของกิเลสอย่างถึงใจเห็นคุณของธรรมอย่างถึงใจย่อมเป็นกำลังของใจได้ทั้งสองภาคหนูนใจให้มีกำลังมากขึ้นผู้ประกอบความเพียรจึงสามารถสละตายได้เมื่อถึงขั้นสละแล้วเป็นไม่เสียดายในชีวิตขอแต่ความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นจะถอยกลับออกมาให้เกิดใจตาอีกไม่ได้เพราะกิเลสตัวไหนตัวไหนที่มันเกี่ยวโยงกันไปออกไปเป็นนโยงระยาง ขอถึงขอบเขตจกรวาลได้ถูกตัดเข้ามาตัดเข้ามาโดยลำดับเห็นประจักษ์ใจแล้วทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสตันเป็นฝ่าหยาบของกิเลสก็ได้ตัดเข้ามาแล้วมันก็ยังเหลือแต่รูปกายของเราเวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาณทนันย์ตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจินตกำลักความดีกิเลสที่เคยแผ่อานาจกระจายไปทั่วทรโลกธาตุหมดความสามารถ ถูกสกัดลัดกั้นตีต้อนเข้ามาเข้าสู่จุดเดิมของตนคือจิตตะวิชาอยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่ได้ถูกปัญญาตีต้อนเข้าไปฟาดฟัอนอันแหละเข้าไปจะมาหลบมาซ้อนมายึดมาถือในส่วนร่างกายก็แยกส่วนร่างกายออกผุ้ศักส่วนให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีอะไรที่จะยึดจะถือมีแต่สิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนี้เป็นนั่นเท่านั้นเป็นความจริงของ ม, ามาันแล้วกิเลสตัวหลอกลวงมันจะอยู่ได้อย่างไรเวทนาก็เหมือนกันมันเป็นความจริงของมันแต่และอย่างอันย่าง สังขารปรุงขึ้นแล้วก็ดับปุงขึ้นแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นสัวนายส่วนกลางส่วนละเอียดดีชั่วของสังขารดับทั้ง น, นั้นสัญญาดับทั้ง น, นั้ยนเยญญาณพอรับทราบรับทรา บ, ร บ, ร บ, รบแล้วก็ดับไปพร้อมในสิ่งกับสิ่งที่สัมผัสผ่านไปผ่านไปมันเอาอจริงเอาจรงที่ไหนมีแต่อาการอัหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวล น, นั่นอันนี้มันจะจะมาเกาะ อ, อยู่ที่ไหนกิเลสกาะที่ไหนก็ตยจนแหลกจนแหลกเข้าถึงขั้นความจริงความจริงที่เรียสตัวปลอมอยู่ไม่ได้ เมื่อความจริงเข้าถึงไหนตัวจอมปลอมแตกกระจายไปแตกกระจายไปวิ่งเข้าสู่จิตไปเข้าสู่จิต ป, ปัญญาฟาดเข้าไปตรงนั้นเอาจิตจะแหลกแตกกระจายไปชิบหายไปด้วยที่เดียวทั้งมวลก็ให้รู้สติปัญญาเป็นไม่ถอยพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละคือเชื่อมันอยู่ตรงไหนสติปัญญานี่จะเป็นเหมือนกับไฟเผาเข้าไปเผาเข้าไ ป, เ, า เ, าไปเรียกว่าตปัตธรรมจนกระทั่ถงถึงจุดของมันอย่างแท้จริงแล้วพิจารณาแตกกระจายไป จักผิดนั้นวัตจักรอยู่ที่ไหนทําไมจะไม่รู้ว่าเคยเกิดเจ็บเจ็บตายมากี่พบกี่ชาติเพราะอะไรเป็นต้นเหตุอะไรเป็นตัวสําคัญรู้มาโดยดําหนับตามมาตั้งแต่นูนเหมือนอย่างเท้าวันมันแผ่กระจายไปไหนตามไม่เข้ามาเข้าม า, า, มาจนถึงรากเน่าของมันแล้วถอนพรวดขึ้นมาเลยอันนี้ก็เหมือนการเจดิตมันแผ่กระจายไปตามลูกตามเสียงตื่นลูกลกิ่นนกเครื่องสัมผัสทั่วขอบเศษจักรวาลก็ ต, ตีตันงขมาตีตั้งขมาด้วยกัาายน จนเข้าสู่ฐันตั้งห้าไต้อนเข้าไปจนเข้าสู่จิตที่เรียกว่าจิตตาวิชานี่แหละที่เรียกวัตจิตตรงนี้วัตจิตวัตจักรตัวนี้เป็นต้นเหตุฟันเข้าไปแต่กระจนกระนั่งแตกกระจายเมื่อกิเลสตัวท้า้จิตเป็นวัตจิตได้แตกกระจายไปแล้วเป็นยังไรรงที่นะี่รู้ได้ชัดไม่ต้องไปถามใคร พระพุทธเจ้ามอบสันทิฏิกโกวให้ทุกรายที่เป็นผู้ปฏิบัติสารทิฏิกโกรู้ต้องรู้เองเห็นเองนะักอาจารย์ังเวริโตโบโวินยูหุยรู้จําเพาะเจ้าของนี่แหละเจ้าของผู้ปฏิบัติผู้พิจารณานี่แหละผู้ฟาดผู้ฟันกับยิเลยเกยิ่งยแตกระจายไปมากน้อยรู้รู้รู้ยิ่ยเกแตกไปหมดไม่มีอะไรเหลือทําไมจะไม่รู้คิดได้บริสุทธิดด์ล้วนๆแล้วจะไม่รู้ได้อย่างไร พบชาติที่เคยเกิดมาจี่พบอีกชาติไม่ต้องนับรู้ว่าตัวนี้เป็นต้นเหตุพาเป็นมาแล้วอย่างนั้นนั้นหากว่าแก้กันมาได้ถอนกันไม่ได้ทําลายกันมาได้ในจุดวัตจิตนี้ตัวนี้แลจะพาให้เกิดไปตายอีกต่อไปเมื่อทําลายตัววัตจิตนี้ออกหมดแล้วอนาคตจะอามาจากไหนไม่เอาไปจากปัจจุบันปัจจุบันก็ได้ถูกทําลายแล้วและรู้เท่าแล้วทุกสิ่งนั่นเนี่ยท่านว่าจิตเบื้องวางจิต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 หูเป็นิสัยของเสียงสัมผัสสัมพันธ์กับไปสังนั้นตามหน้าที่ของตนของตนจมูกรีนกายสัมผัสสัมพันธ์ไปกับสิ่งกิมอยู่ในนิสัยของตนของตนแต่จิตนีตน้สามารถสัมผัสสัมพันธ์ไปได้ทุกแง่ทุกมุมคามมติธรรมทั้งหลายมีอยู่ก็สัมผัสที่จิตของผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมสมถะธรรมปัญญาธรรมเป็นลําดับลําดาค่ากิเลสไปโดยลําดับหนึ่งรู้จิตเบาบางไปลำดับนี เกิกระตั่งถึงวิมุตติธรรมปรากฏขึ้นที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดเป็นที่ปรากฏเพราะธรรมไม่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่สิ่งใดทั้งนั้นแต่ธรรมเป็นธรรมที่จะสัมผัสรับรู้ได้ด้วยจิตเท่านั้นและธรรมเป็นที่เป็นที่อสถิตอยู่ที่จิตจิตเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมเท่านั้นเมื่อธรรมกับจิตได้เข้าปเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสงสัยอะไร มดทางเหี่ยสงสัยสมแดนโลกธาตุก็เป็นส ม, มุติทั้งมวลอันนี้ไม่ใช่สามแดนโลกธาตุเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากทว่าเอกก็เอกไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบรรทุกธรรมตรัสรู้ธรรมอันเอกท่านตรัสรู้อย่างนั้นแล้วก็สอนโลกสอนแบบเดียวกันกับท่านได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างไรจนกระทั่งผู้ปฏิบัติตามได้รู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายตามเสด็จท่าน่า น, านดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย อดังสาวกทั้งหลายตามพระเพุธพธทธเจ้าทันเป็นอารานอาหารด้วยกันทั้งนั้นพ้นไปแล้วจากกงขังจากที่ทรมานคือวัฏจักรได้พ้นไปแล้วนั่นละที่นี่พูดได้เต็มปากถ้าจะว่าวิเศษก็พูดได้เต็มปากอัศาจรรย์ก็พูดได้เต็มปากแต่ท่านไม่ตื่นท่านไม่หลงไม่ยึดไม่ถือ เพราะทําทไม่ได้เหมือนกิเลสถ้ากิเลสอะไรยึดทั้งนั้นคําว่ายึดคําว่าถือไม่มีอะไรเกินกิเลสกิเลสเป็นตัวยึดตัวถืออทําไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้หลงจึงไม่มีอะไรเป็นภาระอยู่ตามความเป็นจริงเมื่อธาตุขันยังอยู่ก็รับผิดทอบกันไป นิวกระหายก็บำบัดรักษากันไปเก็บไข้ได้บ่วยป่วยรักษากันไปแต่ไม่ยึดแต่ไม่ถือแต่ไม่กังวลไม่วุ่นวายไม่สามารถที่จะทําจิตให้กระเพื่อมได้ความกระเพื่อมทั้งมวลเป็นอาการของส ม, มุดทั้งหมดอย่างขันห่านเป็นบิมุติได้อย่างไรมันเป็นอาการของขันทั้งหม ด, ท, หมดที่แสดงอาการความกระเพื่อมกระเพื่อมนั้ธรรมชาติที่รู้แท้ๆธรรมชาติที่ทําทั้งแท่งดวงจิตที่บริสุทธิ์แท้ๆไม่ใช่อันนี้ แม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอยากจะทราบเอาปฏิบัติลงไปให้รู้ให้เห็นจะไม่มีข้อแย้งตัวเองเลยและไม่แย้งบรรดาพระพุทธจาแะสาวกทั้งหลายด้วยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนี่หละคำว่าพุทธเจ้าใครเห็นธรรมเท่านั้นเห็นเราสาวกคือเห็นธรรมชาติอันนี้ท้าหาสในใะการแสดงธรรมโผล่อมาเช่นีก